คนมาเล่าให้ฟังด้วยความรู้สึกกังวลบางทีก็อยากจะระ บ, บายบางทีก็อยากจะปรึกษานั่นคือลูกหรือหลานที่ยังอยู่ในวัยเรียนหรือวัยรุ่นมักจะติดเกมเกมที่ว่าหมายถึงเกมออนไลน์เกมหรือบางวิดีโอเกมเป็นต้นเรียกว่า รุมหลงกันอย่างหนักเลยทีเดียวจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรือว่าไม่สนใจการเรียนบังทีไม่สนใจพ่อแม่เลยด้วยซ้ำางทีแรกเนี่ยก็คิดว่าเนี่ยสิ่งที่ดึงดูดใจวัยรุ่นเครื่องอาจจะลงไปถึงผู้ใหญ่นที่ทำให้มาหลงไหลในเกมพวกนี้ ก็คือความสนุกสนานความตื่นเต้นธรรมชาติของเราเนี่ยชอบความตื่นเต้นอยู่แล้วอะไรที่มันท้าทายมีปัญหาให้ต้องแก้มีอุปสรรคต้องเอาชนะนันก็เกิดความตื่นเต้นแล้วก็ในระหว่างนั้นก็จจะเกิดความสนุกสนานไปด้วย ก็เป็นความสุขอย่างหนึง่งที่มีรสชาติแต่ตารางเนี่ยคิดว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นที่ดึ ด, ดูดจิตใจของเด็กของวัยรุ่นหรือแม้แต่ผู้ใหญ่เนี่ยให้มาหลงหลในเกมซึ่งนั่นคือการได้มีตัวตนใหม่ ที่น่าพึงพอใจเวลาเด็กเนี่ยหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยหลุดเข้าไปในโลกของเกมออนไลน์เนี่ยมันเหมือนกับหลุดเข้าไปในโลกอีกโลกเลยทีเดียวนะซึ่งตัวเองเนี่ยมีตัวตนใหม่ที่ ดูดีกว่าหน้าภาพภูมิใจกว่าอย่างได้ฟังรายละเอียดของพ่อแม่หรือว่าลุงป้าน้าอาที่เขาเล่าเกี่ยวเกมเพรามันมีลูกเล่นมีอุบายอะไรต่างๆมากมายนะที่ทำให้คนเล่นเนี่ยรู้สึกผูกพันกับตัวละคร ที่เป็นเสมือนตัวททนของตัวเองเนี่ยในโลกของเกมออนไลน์เรียกว่าหลายคนหรือเดอนเะกิดทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะต้องพยายามซื้อไอเทมซึ่งไม่ได้มีแค่อาวุธอุปกรณ์ในการเอาชนะสัตรปูหรือว่าฟันเฟ้าอุปสรรคแต่ว่าไอเทมนี้อาจจะรวมไปถึงเสื้อผ้าหรือว่าข้าของเครื่องใช้ ของตัวละครซึ่งจริงคือตัวเองนั่นแหละเพราะว่าไปผูกพันกับตัวละครจนกระทั่งเหมือ น, นว่ามันคือตัวเองแดังนั้นก็จึงพยายามที่จะสรรหาอะไรมาเพื่อทำให้ตัวเองในโลกเสมือนหรือในโลกออนไลน์เนี่ยมันดูดีมันสมาร์ทเท่แล้วก็มีอุปกรณ์ นานาชนิดที่เหมือนกับ อ, า, อาวุธนะหรือว่าความสามารถพิเศษในการเอาชนะคู่ต่อสู้หลายคนนี่ก็ยอมนซื้อไอเทมด้วยเงินราคาแพงๆเพราะว่ามันหมายถึงตัวตนที่ดีกว่าเดิมไม่ใช่แค่สมาร์ทหลอ่อเท่แต่ว่าเก่งด้วย ยิ่งถ้าเอาชนะคู่ต่อสู้หรือว่าฟันฝ่าวะสักได้ขะานนเยอะๆเนี่ยก็รู้สึกเกิดความภาคภูมิใจถ้าบางคนเนี่ยต้องพยายามเพิ่มความสามารถเพิ่มสมรรถนะของตัวละครซึ่งก็คือตัวเองนั่นแหละในโลกเสมือนเราอัพสกิลนะต้อง เพิ่มอาวุธเพิ่มอุปกรณ์หรือว่าเพิ่มเวทมนตร์คาถาจะเรียกว่าใกล้ๆก็เป็นซ u เปอร์ฮีโร่เลยแล้วมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกฟูขึ้นมาในใจนะึกว่ากูเก่งกูแน่กูเป็นซัมบอดี้ในโลกเสมือนในโลกออนไลน์ยิ่งเอาชนะคู่ต่อสู้ได้มีคะแนนสูงสูง ก็ได้เลื่อนระดับก็เป็นที่ยอมรับเป็นที่ชื่นชมนะของผู้คนมากมายที่อยู่ในโลกเสมือนนั้นแล้วบางคนเนี่ยถึงกับถึงแม้จะเล่นไม่เก่งนะสู้ควาไม่ค่อยได้แต่ก็มีทางลัดให้เราอัพเลเวลนะอัพเลเวลคือไปจ้างคนมาเลยไปจ้างคนอื่นมาเล่นแทน ในานามของตัวเออมีคนมีอาชีพนี้เลยนะรับจ้างไปเล่นเกมแทนคนอื่นได้ เ, เงินเยอะนะได้ เ, เงินเยอะแล้วคนก็ยอมจ่ายเพราะว่าพอให้คนอื่นมามาเล่นแทนมันก็ได้เลื่อนขั้นนะ level เป็นที่ชื่นชมเป็นที่ยกย่องรู้สึกว่า ใจนี่มันฟูขึ้นมาเลยถ้าส่วนใหญ่เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะในโลกจริงนะในโลกหรือในชีวิตจริงเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความสําคัญอะไรหรือว่าเป็นโนบอดี้ก็ได้เช่นเรียนไม่เก่งหรืออาจจะเรียนเก่งแต่ว่าพ่อแม่ก็ยังเห็นว่าเก่งไม่พอพวงนี้เนี่ย อาจจะรู้สึกว่าตัวเองขี้เลไม่เป็นที่สนใจของเพศตรงข้ามหรือว่าคนที่ตัวเองหมายปองผู้งานคือเป็นคนที่รู้สึกว่าล้มเหลวพอรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความสำคัญไม่เป็นที่ยอมรับในชีวิตจริงอาจจะในครอบครัวในบ้านหรือแม้ทั้งในโรงเรียน จิตแจก็ห่อเหี่ยวนะแต่พอได้เข้าไปเล่นเกมเนี่ยมันก็คือโจรเข้าไปในโลกที่ตัวเองเป็นพระเอกเป็นซัมบอดี้มันช่วยปลนเปรอนะอัตตานะให้ฟูขึ้นมาทีเดียวแล้วนี่ก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งนะมันสนองสิ่งที่เราภาวตันหาไอ้ความสุขที่เกิดจากการเสพการกิน นะหรือว่าการได้เที่ยวเนี่ยมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะหรือแม้แต่ความตื่นเต้นที่ได้เล่นเกมเล่นกีฬาหรือได้ดูเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สนองสิ่งที่เรียกว่ากามาตันหาแต่การมาตันหาเนี่ยมันไม่มีพลังมากเท่ากับเพราะวตันหานีซึ่งจะว่าไปมันก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเรียกว่ามารนณะ มานะเนี่ยมันไม่ได้แปบักบันพยายามนะแต่มันหมายถึงความถือตัวหรือความสําคัญบัญหมายในตัวตนมีบางท่านมีท่านใช้คําว่าเนี่ยความรู้สึกว่านี่กูนะคืออาจารย์ผู้ท่านบอกมีตัวกูของกูแต่สมเพระตุคสัจจานท่านบอกว่ามันมีอีกตัวหนึงคือนี่กูนะตัวกูของกูนี่ก็เรียกว่าอ่าเป็นเรื่องของ ตัณหาแล้วก็ทิฏฐิแต่นี่กูหน้านี่เป็นเรื่องของมันนะโดยตรงอยซึ่งมันก็ถ้าถ้าผู้ภาษาสมัยปัจจุบันก็คืออัตตาหรือวอีกโก้แล้วคนเราเนี่ยมันโดยเฉพาะในยุคนี้เนี่ยมันปรารถนานะการยอมรับการที่จะเป็นคนสําคัญเพราะสมัยนี้มันเป็นยุคที่เป็นเน้นเรื่องตัวตนมากเน้นเรื่องความเป็นปัจเจก ในเรื่องตัวกูเนี่ยไอ้ ใ, ใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เด่นไม่ดังเนี่ยมันจะรู้สึกด้อยมากสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีพวกเด็กเรียนไม่ดีเนี่ยที่ใครเรียกว่าเด็กเหลือขอเนี่ยมารวมกลุ่มกันเป็นแก๊งเพื่อไปเอาเราว่าชกต่อยยกพวกตีกันอันนี้ก็เรียกว่าทําไปด้วยหน้าของอการต้องการ เป็นที่ยอมรับอาจจะไม่ได้รับการยอมรับในหมู่สังคมทั่วไปแต่ได้รับการยอมรับในหมู่พวกพ้องแก๊งเดียวกันแค่นี้เขาก็มีความสุขแค่นี้เขาก็พอใจแนละ้วเพราะอย่างทีว่านี่ในเมื่อเด่นทางดีก็ไม่ได้ก็มาเด่นทางชั่วก็แล้วกันหรือเด่นทางร้ายยิ่งทําอะไรที่มันบ้าบิดก็ยิ่งเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆของหัวหน้าแก๊งมันก็ทําให้รู้สึกตัวเองมีคุณค่าเป็น ซัมบอดี้ขึ้นมาแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของเด็กที่เรียกว่าประสบความล้มเหลวนะอยู่ในระดับต่ำๆในสายตาของคนทั่วไปแต่ทีนี้เด็กที่อยู่ระดับปานกลางเนี่ยคือก็ไม่ได้เป็นเด็กที่การเรียนแย่อะไรมากแล้วก็พฤติกรรมก็ไม่ได้เก่งไม่เลยเ ก, กเลย พวกนี้ก็จำนวนไม่น้อยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่ของครูบาอาจารย์รู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่มีความสําคัญแต่ที่ธรรมาชาติคนเราเนี่ยมันก็ต้องการเป็นคนสําคัญต้องการเป็นซัมบอดี้อย่างที่ว่ามันมีแรงขับของมา น, นะที่ทําให้ ต้องเป็นอะไรสักอย่างที่ได้รับการยอมรับที่ถ้าเกิดในในชีวิตจริงเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าไม่ได้เป็นนักกีฬาชื่อดังไม่ใช่เป็นนักเรียนที่เรียนเก่งไม่ใช่เป็นคนหลอ่อคนสวยไม่ได้มีพ่อแม่รวยได้ทำยังไงนะก็ต้องไปหาทางออกในโลกโลกเสมือนและโลกออนไลน์ ไปสร้างตัวตนใหม่ซึ่งทำให้รู้สึกมีความสุขและมันก็กลายเป็นความรุ่มหลงนะจนกระทั่งไม่เป็นอันเรียนหนังสือไม่เป็นอันทำอะไรเพราะว่าอยู่ในนั้นมันมีนมความสุขมากกว่าในโลกเสมือนในโลกออนไลน์นี่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยบางทีพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ก็ไม่เข้าใจนะจะให้เด็กออกมาจาก การเล่นเกมอจะให้เด็กเลือกเล่นเกมออนไลน์ก็เหมือนกับการดึงเข้าออกมาจากโลกที่เขาเป็นพระเอกที่เขามีตัวตนมันยากมากนะเพราะว่าเข า, าออกมาสู่โลกหรือชีวิตจริงก็เป็นโนบอดี้หรือไม่มีตัวตนมันก็เป็นความเจ็บปวดมากแล่นเขาก็ทำยังไงก็ได้เพื่อที่กลับไปกลับไปได้รับการพนักพนอ ในทางอัตตาได้เป็นคนเก่งคนสำคัญได้เป็นฮีโร่ซึ่งมันเป็นวิธีที่ง่ายสำหรับเขาคือในชีวิตจริงเนี่ยถ้าจะเป็นคนเด่นเนี่ยมันก็ต้องต้องรอต้องสวยต้องเรียนเก่งนะหรือว่าประสบความสำเร็จไม่ว่าในการเรียนหรือในการทำงาน แต่ว่าถ้าหากทำอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะหัวไม่ไปรูปร่างหน้าตาก็ไม่ให้มันก็ไปออกทางนี้แหละซึ่งสำหรับเขาก็อาจจะดีกว่าไปยกพวกตีกันอย่างพวกที่เป็นเด็กเหลือขอแต่ว่ามันก็ทำให้ช่วยเขาแย่ลงนะเพราะว่าเขาไม่อยากจะกลับมาสู่โลก ที่เป็นจริงหรือชีวิตจริงที่จริงไอ้ความปรารถนาที่เป็นที่ยอมรับนะของผู้คนเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์นะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยมันก็มีวิธีที่จะทำให้เราเป็นที่ยอมรับเช่นเป็นคนดีนะเป็นคนมีความสามารถชเช่นเรียนเก่งหรือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ มันก็ถอยเป็นที่ยอมรับหรือเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงสมัยนี้ก็จะมีทางออกเพิ่มมนาะเป็นดาราเป็นนักร้องนะแต่จะมีกี่คนที่ทำอย่างนั้นได้นะีแล้วก็มันก็ต้องใช้ความเพียรพยายามมากนะครับหลายคนเนี่ยมันมีวิธีที่รัดที่ง่ายนะก็คือ การไปมีตัวตนใหม่ในโลกออนไลน์หรือว่าในเกมนะเพราะว่าแค่มีเงินนะซื้อไอเทมมันก็ทำให้ประสบความสำเร็จในการเป็นซัมบอดี้แล้วในโลกนะของเกมออนไลน์แล้วก็มันก็ดูเท่ด้วยนะจะให้เป็นคนดีเนี่ยสมัยนี้เขาก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องเชยแล้ว เป็นคนดีแล้วยังไงเป็นคนดีแล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้รับความสำคัญเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกนี้มันเป็นโลกที่ไม่ได้สนใจให้ค่าบความดีหรือคุณธรรมเท่าไหร่มันให้ค่าบความเด่นความดังคราวนี้ในการสร้างภาพตัวตนใหม่เนี่ยที่จริงมันก็มีหลายวิธีนะบางคนก็อาจจะไม่ได้ไปหมกมุ่นกับเกมออนไลน์แต่ว่ามันมีวิธีอื่นที่ง่าย ยกตัวอย่างเช่นนะไปซื้อสินค้าแบรนด์เนมมาประดับประดาเนื้อตัวเนี่ยไอการซื้อสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยเสื้อก็ดีกางเกงก็ดีกระเป๋าก็ดีรองเท้าหรือว่านาฬิการวมทั้งโทรศัพท์มือถือพวกนี้มันก็เป็นวิธีการสร้างตัวตนใหม่นะ เพราะว่าพอใช้แล้วมันก็ดูดีในใสายตาคนทั่วไปเป็นที่ยอมรับนะคนธรรมดาเนี่ยแต่พอใส่รองเท้าราคาแพงๆเนี่ยมันดูดีขึ้นมาเลยหรือไม่ชนะก็ไปกินอะไรที่มันดูหรูหน่อยนะเช่นถ้ากินกาแฟต้องไปกินสตาร์บัคสนะถ้าไปกินกาแฟทั่วๆไปมันดูไม่เท่กินแฮมเบอร์เกอร์ต้องต้องไปกินร้านนั้นร้านนี้ที่มีชื่อดังก็ดูแล้ว คือมไม่ได้กินอาหารนะมันกินภาพลักษณ์มันจะกินไปเสดภาพลักษณ์เดี๋ยวนี้คนเราไม่ได้ใส่รองเท้านะส่วนใหญ่นะแต่มันใส่มันซื้อภาพลักษณ์ความเป็นนักกีฬาใส่สมัยหนึ่งเนี่ยใส่รองเท้าไนกี้แล้วรู้สึกเหมือนกับเป็นไมเคิลจอแดนพ่อไมเคิลจอแดนเขาก็เป็นพรีเซนเตอร์ไนกี้ชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นคนดังอย่างไมเคิลจอแดนไม่ได้ก็อย่างน้อย พอได้ใส่รองเท้าในเกียรมันก็รู้สึกว่าได้สร้างภาพหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นขึ้นมาคือเป็นนักกีฬาที่เด่นอันนี้ก็เป็นการสร้างตัวตนใหม่ที่มันดีกว่าตัวตนเดิมและเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีที่ที่ง่ายกันนะคือวิธีที่เรียกว่าเซลฟี่เดี๋ยวนี้มีคนจำนวนไม่น้อยเยนะ่ย สร้างภาพให้ตัวเองดูดีผ่านโซเชียลมีเดียอิน a ตาแกถ่ายรูปเวลาถ่ายรูปเนี่ยก็ต้องตกแต่งภาพก่อนที่จะอัพโหลดขึ้นไปให้มันดูดีต้องใช้กล้องอย่างดีมีโปรแกรมที่แต่งหน้าแต่งตาแลวเดี๋ยวนี้ไม่ได้แต่งเฉพาะภาพนะบางทีแต่งหน้าหรือปรับเปลี่ยนหน้าตาตัวเองด้วยสัญญกรรม ไม่ว่าจะเป็นตาคิ้วคางหรือแม้แต่กระโหลกเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าทั้งตัวเลยี่คือการสร้างตัวตนใหม่นะเพื่อสนองภาวะตันหาหรือว่าสนองมันนะและมันก็ง่ายเพราะมันแค่ใช้เงินไม่ต้องใช้ความเพียรพยายามไม่ต้องอดกั้นเพื่อเป็นคนดีไม่ต้องเรียนเก่งก็ได้หรือว่าไม่ต้องเป็นนักกีฬาชื่อดังมันก็มีตัวตนใหม่ ซึ่งก็ใช่มีความสุขนะแต่ว่ามันก็มันเป็นภาพลวงเรื่อง น, นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องเข้าใจนะความรู้สึกของคนสมัยใหม่ที่เป็นลูกเป็นหลานแล้วก็ต้องเข้าใจว่าจริงๆไอ้สิ่งนี้เนี่ยแรงจูงใจแบบนี้ก็มีอ ย, อยู่ในตัวเขาด้วยในตัวพ่อแม่ในตัวคนทุกคนแล้ทั้งคนที่มาวัดเพื่อมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็มีแรงจูงใจตรงเนี้ หรือต้องการเป็นที่ยอมรับเป็นนักอยากจะให้คนยอมรับว่าฉันเป็นนักปฏิบัตธิธรรมฉันเป็นคนมีศีลนะมาวัดก็ต้องถ่ายรูปอัปโหลดขึ้นทาง Facebook ปฏิบัติธรรมก็ต้องเซลฟี่แต่งชุดขาวนุ่งขาวเพื่อเซลฟี่แล้วก็ถ่ายรูปขึ้น Facebook เพื่ออวดนะอันนี้ก็เป็นวิธีการของคนที่เรียกว่าเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ หรือผู้ใหญ่หร่ถ้าเป็นเด็กวัยรุ่มนมันไปออกอีกทางหนึ่งแต่จุดหมายก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าข้อดีข้อเสียอาจจะต่างกันแต่น้อยการมาปฏิบัติธรรมมันก็มีโอกาสได้ลดลักกิเลสบ้างถ้าหากว่าตั้งใจปฏิบัติแล้วมันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดโทษมากแต่ขึ้นชื่อว่าอัตตาหรือมาะนะเนี่ยมันก็เป็นกิเลสนะที่ถ้าเราปล่อยให้มันกาเริบนะ มันก็สามารถจะครอบงามระบบการจิตใจเราได้ใ้การสร้างตัวตนใหม่ไม่ว่าจะด้วยลักษณะใดเนี่ยถ้ า, าว่าไม่รู้เท่าทันเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเป็นคนหลงติดนะในอัตตาหรือว่าหลงตนนะอยู่ในการครอบงามของมานณะหรืออัตตาถ้าพูภาษาชบบาวบ้านคือมันทำให้ตัวตนมันใหญ่ขึ้น ไม่ใช่ไม่จําเป็นว่าต้องใหญ่เพราะชนะเกมออนไลน์อาจจะใหญ่เพราะคนยกย่องเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือเป็นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอันนี้มันก็ถ้าไม่เท่าทันมก็ทําให้ตัวตนใหญ่พราะตัวตนใหญ่เนี่มันก็ทําให้เกิดอาการที่ว่าเปราะบางเหมือนกับลูกโป่งเนี่ยถ้าว่ามันพองใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันจะบางมากเลยมันจะแตกง่าย คนที่ตัวตนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดเนี่ยมันจะทุกข์ง่ายนะเช่นเวลาเจออ น, นิจฐานลมเช่นอกหักแฟนทิ้งเนี่ยพวกนี้เสียสูวง่ายมากเลยเพราะว่าการที่อกหักหรือถูกแฟนทิ้งเนี่ยมันแปลว่าถูกปฏิเสธการถูกปฏิเสธเนี่ยมันคือสิ่งที่คนที่อัตตาสูงเนี่ยนะมันจะ ยอมรับไม่ได้เลยนะเพราะว่าที่ทํามาทั้งหมดก็เพื่อการยอมรับได้รับการยอมรับแต่พอถูกปฏิเสธได้การยอมรับเช่นถูกแฟนทิ้งหรือถูกคนบอกเลิกเนี่ยมันจะเสียศูนย์เนง่ายเลยหรือไม่ก็จะเป็นดาราเป็นคนมีชื่อเสียงปพราะว่าเรตติ้งตก ถึงแม่ใช้ดาราเนี่ยหลายคนก็แสวงหาเรตติ้งผ่านโซเชียลมีเดียมีเฟรนด์เยอะมีฟาโล่มีฟาโลเออร์เยอะนะใน f a ใน b o o k แต่พอยอดตกนี่เอาละเริ่มทุกข์แล้วรู้สึกตัวตนถูกกระทบกระแทกยิ่งถ้าเป็นดาราเนี่ยถ้าเรตติ้งตกนี่แถมถูกวิพากวิจาร์โดยสื่อเนี่ย บางทีไม่อยากอยู่เลยนะค่าตัวตายก็เยอะอย่างที่เราเห็นนะเป็นข่าวดาราเกาหลีดาราญี่ปุ่นดาราจีนนะค่าตัวตายเพราะว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์มากพวกนี้ก็เป็นโทษของการที่ไปหลงนะในอัตตาหรือว่าไปปนเปื้อมมานะมากเนี่ยไอตอนที่ประสบความสําเร็จตัวตนก็ฟูแต่พอตอนประสบความล้มเหลวหรือไม่เป็นไปดังใจเนี่ย มันก็เหมือนกับลูกโป่งที่ถูกทิ้มแม้เศษหญ้าแม้แม้ขมหญ้าเบาๆบางๆแค่นี้มันก็แตกได้พอทิ้มลงไปก็แตกหรือบางทีเคยประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงแล้วต่อหลังเกิดล้มเหลวกิจการก็ไม่ประสบความเส็จเหมือนเมื่อก่อนความรู้สึกก็ดิ่งเลยนะ มือนก็บลงเหวไปเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าถูกปฏิเสธอัตตานี่มันถูกกระทบกระแทกอย่างแรงบางทีก็ฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยยิ่งอย่าว่าแต่อะไรนะคนที่หลงในรูปในเสื้อผ้าหน้าผมของตัวรูปร่างของตัวเนี่ยพอพอตัวเองเริ่มแก่เนี่ยผิวเริ่มเหี่ยวหนังเริ่มตกกระผมเริ่มงอกอันนี้เริ่มก็สุดแย่ก็เป็นกันไม่น้อยนะ เพราะว่าไปให้ค่ากับไอเสื้อผ้าหน้าผมนะเพราะว่าชอบขยันปรับหน้าตาของตัวด้โฟโต้ช็อปเวลาอัปโหลดขึ้นทางเฟซบุ๊กแล้วก็หลงเดว่าตัวเองเนี่ยเป็นอย่างในภาพที่โพสทางเฟซบุ๊กทางอินสตาแกรมแต่พอความจริงมันไม่ใช่มันยอมรับตัวเองไม่ได้นะเห็นความแก่ที่จริงก็ไม่ได้แก่มาก เสียเรียกว่าเสียศูนย์นะเสียเซลฟ์ก็ห่อเหี่ยวซึมเศร้าไปแล้วก็มีนนในการที่คนเรานี่มันหลงติดในอัตตาหรือว่าเอาแต่เอาแต่พเนาะอัตตาสนองมาหน้าพวกนี้เนี่ยแม้มันจะให้ความสุขกับเราได้เร็วนะแต่ว่าถึงเวลาที่ อะไรมันแปลเปลี่ยนไปเกิดภาวะที่ว่าอ น, นิจจังอ น, นิจหรือเจอ น, นิฐารวมนี้มันก็ดิง่งนะลงสู่ความทุกข์นะได้เร็วเหมือนกันเรียก ว, ว่าขึ้นเร็วก็ลงเร็วขึ้นง่ายก็ลงง่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันทาวาวเราอ่าตระหนักถึงโทษนะของการที่ ปล่อยให้อัตตาหรือมานะเนี่ยมันครองใจหรือยอมให้มันวงการจิตใจของเรามากเนี่ยเราก็จะแย่มนกันนะแม้ว่าตอนที่ประสบความสำเร็จ อ, อยู่ในช่วงขาขึ้นเนี่ยมีความสุขมากเลยนะแต่ว่าพ อ, อเข้าสู่ช่วงขาลงเนี่ยมันจะทุกข์เหลือเกินเลย เพราะนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยที่เขาสึกว่าเป็นพระเอกในโลกออนไลน์เนี่ยคือในโลกของเกมออนไลน์เนี่ยพอดึงเขาออกมาเนี่ยหรือว่าพอเขาเริ่มประสบความพ่ายแพ้เขายแย่เลยนะจะต้องหาทางที่จะทำาขนาดให้มากขึ้นบางคนหมดเงินเป็นล้านเลยนะเพื่อซื้อไอเทมแพงๆมา เอาชนะคู่ต่อสู้นะจะได้คะแนนสูงๆจะได้กลับมามีหน้ามีตาหรือว่ามีตัวมีตนใหม่แต่ว่าในสุดเนี่ยมันก็ต้องพ่ายแพ้นตนได้แนละ้ว ถ, ถึงตอนนั้นก็จะห่อเหี่ยวซึมเศร้าแต่ถึงแม้ไม่ใช่วัยรุ่นเล่นเกมออนไลน์แต่ถ้าว่าพนอัตตาตัวตนด้วยวิธีอื่นก็เหมือนกันนะเพราะฉนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามรู้เท่าทันเวลา อัตตาหรือมารนั่นี่มันบงการจิตใจของเรามันอยากให้เราโชว์อยากให้เราอวดนะเราก็อย่าไปหลงเชื่อทําตามมันนะต้องขัดคืนมันบ้างที่จริงการมีการที่มีอัตตาฟูฟ่องมังมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะถ้าอัตตาติดล้มมันก็แย่แต่ถ้าปล่อยให้มันคลองใจมากนี่มันก็จะกลายมามีอํานาจเหนือเราแล้วเราก็จะต้อง เราก็จะพลอยแยกไปเลยเพราะว่าต้องคอยเลี้ยงมันมันเหมือนกับว่ามันมีมีปีศาจที่ต้องคอยปนเปอร์มันอยู่เสมอถ้าไม่ปนเปิ้อมมันด้วยการตามใจอัตตาตามใจกิเลสมันก็จะอาละวาดโวยวายแต่ถ้าปล่อยมันคองใจบงการช่วยเราเราก็สุดท้ายก็ไม่เป็นผู้เป็นคนเหมือนกันทม้ทางที่ดีนะก็พยายาม ระมัดระวังอย่าให้มันคลองจิตคลองใจหรือบงการจิตใจเรามากรู้เท่าทันแล้ขัดขืนมันบ้างนะหัวร้อยย่าใส่มันบ้างนะให้กลับมามีสติมีความสุขตัวเพราะถ้ามีความสุขตัวเมืเอ่อไหร่ไอความสําคัญเมื่อหมายว่าตัวตนหรือตัวกูัมันก็จะมีอํานาจมีทิพนน้อย